<c oughs> ให้ช่วยตัวเองอย่าปล่อยกายทิ้งอย่าปล่อยจิตใจทิ้งอย่าปล่อยรูปปล่อยนามทิ้ง <c oughs> <c oughs> ปฏิบัติธรรมก็คือการมาช่วยรูปช่วยนามให้หมันพ้นภยัยตอนนี้ภัย เก่ยขึ้นที่รูปนี่นามนี่ถ้าไม่ช่วยมันจะพาไปขั้วบ่ายไปสั้โลกเป็นเปตเป็นสุรสารแต่ช่วยเข้าไปสู่สุขติการช่วยเหลือเรื่องกายเรื่องใจเรื่องรูปเรื่องนามเป็นความจำเป็นมาก พ้าไม่ช่วยมันจะเป็นทุกข์เป็นโทษแต่ช่วยก็เป็นประโยชน์สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับลูกกับนามมันมีคู่ไม่ใช่มันขี้มันช่วยได้อยู่เมื่อมันหลงก็ลู้ได้เมื่อมันทุกข์ก็ลู่ได้ไม่ทุกข์ก็ได้อะไรที่มันเป็นไฟ อะทมเป็นทำดำที่มันครอบงำให้เกิดทุกข์มันก็มีวิธีช่วยอยู่ไม่ต้องจนอย่าไปจนเราจึงมาเตรียมพร้อมมาความาำนิชำนาญในการช่วยรูปช่วยนามช่วยกายช่วยใจยของเรานี่ให้ำนิชำนาญจะัรสลุเสร็จสิ่นไป ไปช่วยได้แล้วก็หมดก็จบลงได้ถ้าไม่ช่วยก็เป็นไปเรื่อยๆไปจนก็เป็นชาติไปไปติดกับลูกกับหลานอีกความไม่ดีควมชั่วถ้าเราช่วยก็ทําให้ลูกไม่หลานก็ประติดกับหลานพ่อแม่เป็นคนดีลูกก็ปเป็นคนดี ตกูลบางตะกูลในสมัยขั้วการตะกูลของพระรยาเจ้าพอ้ฝึกหัดเราก็เป็นรามัญชนเหมือนกันเนพื่องพนาเพ็มพาพระเจ้าสุตกุธนะทำไมจะได้รูปเป็นพพุทธเจ้า พระเจ้าพระกรุงสนใัยกับพระนางพุดสดีทำไมจึงได้รูปเป็นพระเวทสันดรนก็คือคนเหมือนกันนี่อว่าการัตนากายใจของตัวเองมันเป็นสัตว์ประเสริฐมันทำได้ปฏิบัติได้ก็เป็นลูกโชยโชคเป็นลูกราลมณนีก็กลายเป็น แต่รูปเป็นชูชกขึ้นมาก็ต้องรับผิดชอบตัวเองนี่ชีวของเราไม่ใช่ตัวเราคนเดียวอยู่กับสิ่งต่างๆมาก่ า, า้น่าสงสารที่จะเกิดรูกคกนนี้หายใจเข้าหายใจออกถ้ไม่หายใจมันก็จะตายเป็นทุกข์ ต้องกินต้องนอนต้องขับต้องถ่ายต้องคูเ่เหยียดเกินไว้หลบภัยตลอดเวลาของบ้านทาเรือนที่ว่าใช่มีพานุ่งพะหมมม g ยารักษาโลก <c oughs> มีผู้พึ่งปอาัสสิ่งที่พึ่งก็มาจากที่อื่น อ่างว่างเลือนแต่ว่าบันบาอยู่ที่นี่แต่ว่ามาจีบหายที่อื่นมาเอ่น้านใช่ไปก็จีบหายที่อื่นมาถังใช่ไหมสมีแต่สิ่งที่ลงทนุนลงแรงแต่รูปมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้ว ก็อย่าให้ทุกมันเพิ่มเข้าไปอีกน้ําก็ประทุกอยู่แล้วอย่าให้พุกมาเพิ่มอีกมาช่วยรูปช่วยน้องให้มันปลอดภัยของโกดมันทําให้มันเพิ่มเข้ามาความทุกข์ทำมันเพิ่มเข้ามาสิ่งเสพติดทั้งหลายทำมันเพิ่มเข้ามายึดมั่นถือมั่นอะไต่างๆเป็นภาระหนักขึ้นเข้ามา ถ้าเรามาหาดก็บรรษัท ป, ประเสริฐปลอดไปที่สุดในโลกคือบรรูดนี้บรรษัท ส, สังคมที่อยู่ด้วยกันก็พึ่งพาอาศัยกันได้เห็นมันเป็นรูปเป็นนามจริงๆไม่ใช่กายใช่ใจรูปนามมันเป็นที่ตั้งของสิมิตาง พอเห็นรูปเห็นนามแล้วก็มีเสียงที่บุงบอกที่เกิดกับลูปกับนามมันคืออะไรบ้างจะได้เข้าใจจะได้รูปจะได้พัฒนารูปนี่มันสภาว่าเป็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามมากมาย ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นมีสติเป็นที่ตั้งก็จะเป็นไปตามอาการต่างๆสิ่งที่มันเกิดคือรูปออมาเป็นตัวเป็นตนเป็นฉุกเป็นทุกถ้าเราเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเห็นเป็นอาการตามธรรมชาติสิ่งที่เกิดคือเกิดน้ำก็เป็นอาการไม่ใช่ตัวใช่ตน รูปนี่มันไม่ฝังเสียงใครมันมีเกิดขึ้นต้งอยู่ระบายเกิดขึ้นแล้วเจ็บเจ็บตายไปปล่อยให้มันเจ็มันเจ็บมันตายไปเฉยไม่ได้ใช่เกิดประโยช <c oughs> น์เหมือนเลือข้ามฟากต้องขี่ข้ามฟากให้ขึ้นฝั่งได้จึงจะคุ้มค่าก่อนมันจะพุจะพังไป แต่นี่เราไม่ขี่แพข้ามฟากขี่เรือข้ามฟากเราถือมือแบกมาถือเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่เป็นประโยชน์จะขึ้นฝั่งกับม่าต้องดึงนั่นแบกขึ้นไปจะให้เพื่อให้ข้ามพ้นข้ามถึงฝั่งได้มันทําหน้ามีอกกุปกรณ์มีเครื่องมือมี วิธีปฏิบัติต่อลูกอย่างดีที่สุดคือธรรมะเพื่อศึกษาได้รู้จากวิธีใช้ลูกให้สำเร็จประโยชน์ถ้าเรามาศึกษาไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้ใช่ไหมเป็นจิที่มันผิดก็มีถูกอยู่ที่นั่นจิต ท, ที่มีทุกข์ก็ไม่ไม่ทุกข์อยู่ที่นั่น อัดใช้ให้เป็นแต่ใช้เปนมก็เป็เ ป, ประโยชน์ในะความไม่ดีเป็นความดีทุกเรื่องทุกเราในความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคนเราเรื่องเราใช้ตัวใช้ตนเหมืนพวกเพราะมันมีปัญหามีปัญญาเพร่งมีปัญหา เราก็เห็นอยู่นี่เวลาเรามีสตินอกจากสติมันเกิดล้วขึ้นมาหายอย่างเกิดขึ้นกับรูปเกิดขึ้นกับนามหน่อย่างนั่นละโอกาสที่จะได้ช่วยตัวเองได้สอนเมื่อมันก็เลยเกิดขึ้นกับรูปแต่ไม่ใช่สติก็ ลู่สืบตัวลงไปขนาดอะไรเทียมเกิดขึ้นนั่นให้มันแทนที่เรงหลงเกิดขึ้นในมีสติเข้ไปเทนที่เ่องสุกกรทุกเกิดขึ้นในมีสติก็ไปเทนที่ทุกข้างทุกกล่าวอยวให้มัมาข้างมาติดอยู่มันจะเปิดอเพื้อนแล้วก็เห็นอยู่ ไม่ใช่ไม่เห็นเห็นเราเคยแก้ได้อยู่แต่เราไม่แก้ปล่อยทิ้งจะอภิธรรมเขาบอกต้งๆว่าสังขารเกิดคนแล่จาจะเราแล้วหนอในสังขารก็มีวิสังขารเปลี่ยนได้อยู่ ถ้าการเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนสังขารแต่พี่สังขารก็มีความสงบสุขปกติ ส, สังขารเกิดขึ้นแล้วจะลาวเรยว่าสังนิจจาวัาสังขารอุปาทาวะจะทำเมโนอย่าไปยือดอย่าไปยืดว่าตัวว่าตน โอปชิตตะวันโดยฉันติแช่ได้แช่ได้พวกอย่างนี้อภิธรรมแต่สังหูปจโมจุกุเมื่อแก่สังขาปรปวิตังขานจะอยู่เป็นสุกเถอะแต่เราไม่แก่เวลาเมื่อเกิดเค่องต้องรับมาเป็นตัวเป็นตนถ้ากูได้โกรธกูได้ทุกโลไม่ยอมไม่ยอมไม่แช่ที่ไห น, นก็ปล่อยทิ้ง มันทําได้อยู่ปฏิบัติได้อยู่ถ้าเรามาปฏิบัติได้สัมผัสกับสิ่งเรานี้จริงๆความเท็จความจริงเกิดขึ้นขณะที่เราปฏิบัติไม่ใช่มันฟรีทุกเรื่องทุกเรามีงานมีการที่เป็นแฉนสารสาละหลังขานคือมันคิดไปโน่นไปนี่ไปไรตั้งใจมันเป็นสิ่งที่ จนมาสังขารคือมันปุงแทงมันเจ็บมันปวดนั่งนานก็ปวดก็มื่อยยืนนานก็ไม่ได้นอนนานก็ไม่ได้เดินนานก็ไม่ได้ก็เป็นสาภาวะทุกข์ตามธรรมชาติอย่ามาเป็นตัวเป็นตนสังขารที่เกิดจากการปรุ่งแทง นั่นแก้ได้แต่สังขารที่เป็นสภาสภาบริบทตามธรรมชาติกําหนดลู้โดยการลู้เฉยๆสังขารที่เกิดจากการปรุงแตงนั้นจะมากําหนดลู้เฉยไม่ได้ตรงละวางจางวันละได้วางจ า, า ง, ล ะ, างจาละไม่ได้ ต้องหิวข้าวต้องกินข้าว <c oughs> ถ, ถ้าหนออาวตงหมผ้าท้าร้อนต้องกาบน้ำแล้วก็เงี้ย อ, อย่างนี้มันแช้ไม่ได้ต้องเป็นบรรเทาเป็นข้างเป็นข่าวไปส่วนความโกรธความทุกข์ความปรุงความแต่งแก้ได้เด็ดขาดหยุดได้เด็ดขาดมาใช่บันเทาไปเรื่อย โก้ก็จะดาก็หายโก้ไม่ใช่แบบนั้นโก้ก็ต้องเปลี่ยนได้ทังทีต้องไม่โก้ทันทีหยุดขราวเดียวกันนาทีแก้ได้ละได้อย่าให้มันข้างอยู่ในจิตวิญญาณในลามที่ในจิตใจของเราเจอได้ทุกรังทุกขราวไปมันก็ไม่มีที่ตั้ง อารแก้แต่ละข้างเปลี่ยนโกรธเป็นความไม่โกรธนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยตนพระได้ตรงนี้มีศีลได้ตรงนี้เป็นสวรรค์ได้ตรงนี้เป็นนิพพานได้ตรงนี้ถ้าไม่แจ้ไม่ละก็เป็นนรกเป็นเปรเป็นสุลกายได้ตรงนี้อย่าไปทำไํำเล่นกับมันส <c oughs> ี่งที่มันเกิด <c oughs> เกิดรูปกับนามไม่ใช่มัน ไม่ใช่เรอกจะยอมเราั้งหมดมีสุดทีใช่ให้เป็นใช่กายใช่ใจใช่รูปเรนามให้เป็นให้อยู่ในความถูกต้องอยู่เสมอ <S <S 1> <S 1> <S 1> เดี๋ยวมันก็เจ้าได้อยู่มันช่วแจ้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ปฏิบัติได้อยู่ให้ผลได้อยู่อย่าประมาท ในความทุกข์ในความหลงในความโกรธมันเป็นฝ่ายอโกชนเป็นธรรมดำเมื่อมันมากขึ้นมากขึ้นก็มืดแก้ยากไปเจริญนิสัยมันไม่ใช่เฉพาะอยู่ที่ความหลงไปไกลยนต้นเปนตอของเกาโกชนของบาปแลนก็เชื่อโลก ทิงไม่ได้ต้องช่วยแก้ไขตารรมอาการจะมันเกิดขึ้นปฏิบัติธรรมกิมมาดูแลกายใจให้มันอยู่ในความปลอดภัยให้มันคุ้มงเป็นพิษเป็นภัยเป็นทุกข์เป็นโทษมาทางไหนรู้หมดถ้ามีสตินะถ้ามีสติป็นที่ตั้งหเหมือนหน้าโลก <c oughs> เป็นชัยภูมิถ้าเป็นนักรบเป็นชัยภูมิที่ดีเห็นข้าศึกได้ทุกทิศ ท, ทุกทางถ้ามีสติจนดวงตาภายในสนหน้ารอเห็นทั้งกายทั้งใจเห็นทั้งกิเลสตัณหาหลาภ ค, ความทุกข์ความสุกอะไรต่างๆมากหมดสิ่งที่ไม่อาุณสม์เกิดขึ้นดีกายใจรู้หมดว่าแต่มีสติ ทำได้อยู่ปฏิบัติได้อยู่มีความเพียรมีศรัทธาลงไปมีสติลงไปมีสมาธิลงไปให้ชัดเกล็นแม่นจ้ำกับทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่าให้มันพลามันฟางอะไรผิดอะไรถูกรู้แจ้งเห็นจริงตามความเท็จความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นเข้าไกับใจเรา ยอหลงไม่จริงความ่หลงมันจริงแน่นอนเห็นแจง้งจริงๆเห็นแ จ, งจ้งในความไม่ดีเห็นแจ้งในความดีนี่เรื่องนิรูดนิรูดทําให้แจง้งมักทําให้มากๆดูให้เห็นทุกเรื่องเพราะว่าที่ดูนี่ไม่ปล่อยทิ่งนี่เรว่ามักคือดูดูแล้วมันก็เห็น เห็นแล้วก็ไม่เป็นไปกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับลูกผมดำนึ่ถ้าเห็นแล้วมันก็มีข้าที่สองไม่เป็นข้าที่สก็พ้นจากพอที่เป็นหน่หมือคนเห็นงูเห็นงูไม่มีใครเข้าไปให้งูกัดถ้าเห็นงูแล้วก็ มีแต่จะออกไปการออกไปให้ไกลจากนู่เรียกว่าไม่เป็นเห็นหลงไม่เป็นหลงเมื่อออกไปแล้วกพ้นจากความหลงหรือ่าไม่เป็นผู้หลงพ้นจากความหลงตามหลักอิสัตชีสามประการ ทำกับสิ่งที่มันไม่ดีมันก็มันก็เป็นไปแบบนั้นเป็นทางไปแบบนั้นทางมันบอกมันบอกถ้าเราหัดเราดูจริงๆเหมือนตอมันบอกทางถ้าไม่เห็นเราก็ไม่ไปเห็นเราเป็นการสัมผัสต้งเห็นทั้งสัมผัส บรรดาบอกก็เดินตอนทางได้มันสัมผัสที่เรามาสัมผัสกับสติมันก็ต่างกันกับทุกเรื่องที่ไม่ใช่สติอะไรที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่สติมันจะต่างกันอยู่เราก็สัมผัสได้จากนี่หรื่าก็ตอบได้ทุกคนแต่ถ้าไม่มีสติมันก็ มก็ด้านไปแล้วการสัมผัสกับความเท็จความจริงที่มันเกิดกับกากับใจนี่กลายเป็นตัวเป็นตนประสาสุขคือเราทุกข์คือเราโกรธคือเร า, โ, รเราโลกหลงคือเราเกิดตัญหาราคาผงแต่งคือเราเมื่อไม่ดูแลรักษาตน้นกับเปื้อนเื่อนเเธอะไปกลายเป็นโลกประสาทพุ้งชัน่นาำมันถึงกับ อารมคล้องแยมย่เยี่ยงโกรธบ้าบ่าทุกมากกับการเป็นโลกกับเพาะเป็นโลกอะไรไปต่างๆทำไห้สันหลังเชื่อโลกกันมาสันรูปโลกงามโลกที่ตั้งของโลกโลกภายนอกโลกภายในใช้ชีวิตไม่ถูกต้องก็เกิดเจ็บเพ่หดืยป่วยนด การเจ็บการป่วยมันเป็นผลมาจากการใช้ชีวิตไม่ถูกต้องต่อใช้ชีวิตถูกต้องเราก็จะไม่ค่อยเจ็บค่อยป่วยเราจึงมาเรียนรู้เรื่องชีวิตแท้ๆนี่แหะไม่ใช่เรียนรู้แบบท่านเรียนหมอเรียนแพทย์เรียนพยาบาลอันนั้นเป็น เรเลี่ยงศาสตร์ต่างๆต้องใช้สติปัญญามันสมองเอาอันอื่นมากําหนดแต่ว่าการกรรมฐานมาเรียนรู้เรื่องต้นตอของเหมือนคือกายคือใจการเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจกรรมเฉลี่ยเรื่องกายวิภาคเห็นตาไปใช้พุงเอาต่างๆ มาเห็นสิ่งที่มันเกิดกับรูปกับนามเหตุเป็นรูปเป็นนามอาการที่มาเกิดขึ้นกับรูปกับนามมันคือไรว่างรูปมันเป็นอะไรมหาพุทธรูปเป็นรูกอาศัยอุปทารูปเป็นรูปที่ยึดมั่นถือมั่นเกิดมาแทนที่รูปอาศัยมหาพุตธรูกอาศัยให้รูกนี่ให้ทําความดี ลาควาชั่วอุปทาจะรูปเป็นรูปทำคกอมชั่วให้รูปไปทมความชั่วคิดชั่วพูชั่วก็สำเร็จทั้งสองทางถ้าเราศึกษาจะได้เครื่องมือที่ดีที่สุดได้รูปมาได้นามมานี่เป็นเครื่องมือทำให้เราู้จักทางหลุดพ้นความไม่ทุกข์ เมื่อมีความหลุดพ้นจากรูปจากนามมันก็เหนือการเกิดเจ็จากตายเพราะว่าความเจ็ความจะพคนตาเรื่องของรูปของนาม <c oughs> นำเรียนรู้ได้ปัญญาได้ต่อยอดจากมันมันมีรูปทแท้ๆยังได้ใช้ใชสําเร็จประโยชน์มันมีนามยังใช้ได้สําเร็จประโยชน์ มันบอกความเท็จความจริงแล้วก็รู้จากงันนี่ถ้าไม่มีทุกข์มันก็ไปพ้นจากทุกข์มันมีทุกก็เห็นอยู่ความไม่ทุกข์ก็ได้เห็นอยู่เรามาหัดมาสอนตรงนี้มันมีสูตรของมันสูตรบาปสูตรบุญอยู่ในรูปในนามนี้สูตรบุญก็ไปทางหนึ่งสูตรบาปก็ไปทางหนึ่งเรียว่ากุศอนไปทางหนึ่งอกูอสอนไปทางหนึ่ง เราเห็นอยู่เราปฏิบัติที่แรกสุราที่แรกมาเจอกุศลอกุศลอยู่ตรงไหนกุศลอกุศลมีสติจะได้เห็นกุศลก็คือความหลงอกุศลกุศลคือความรู้จักตัวนี่อกุศลคือความหลงตัวนี่ อกุศลควาทุกกุศลความไม่ทุกอกุศลความโกรธกุศลคือความไม่โกรธมันไปแบบนี้นะสติก็เปลี่ยนได้ทุกอย่างเปลี่ยนอกุศลเป็นกุศลได้ทุกเรื่องที่มันเกิดกับปากับใจนี่เราจึงมาเปลี่ยนลายเป็นดีหรือว่าปฏิบัติธรรมต้นโอคาหวังก็คือ ความหลงความโล่กควผมกคกับมทุกต่อเอาขอกอกรุ่นเหนทุกคนเลยในตรงนี้่าต้องมาถามใครต่างกันอย่างไรเมื่อเมื่อโกรุ่นเหล่านี้1น่สงเกิดขึ้นโกรุ่นอื่นที่ยังไม่มีก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเลื่อมากขึ้นไปสู่เปรตสุรกายเป็นสัตว์โลก ล่ากเก้าของกุศลคือไม่โกรธไม่โศลกไม่หลงไม่ทุกข์พอตรงกันพอดีพอดีเอาทำได้ว่าผิดเป็นถูกมาอะไรที่ไม่ถูกต้องปฏิบัติธรรมมีวิธีปฏิบัติ เปลี่ยนทุกเปไหมทุกเปลี่ยนหลงเป็นไหมหลงเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธเปลี่ยนโลภเป็นไม่โลภ เ, ลเลมื่อกุศนหนึ่งสองสานี่มีอยู่แล้วกูศนหนือที่ยงไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญ ม, มากขึ้นไปคนละทางแบบนี้จเจริญ ม, มากขึ้นก็ไปถึงมากถึงขนแต่ไม่เปลี่ยนต้นโตตรงนี้ลากงาตรงนี้ไม่ถอนลากตรงนี้ก็ไปอีกแบบหนึ่ง การงานของเราก็ทำแบบนี้มาใช่ไปอ้อนวอนจะจะมีบุญก็มีบุญตรงนี้บุญตรงนี้ช่วยเราให้ไปถูมรึกถูผลไม่ใช่อ้อนวอนเอาเอาเงินไปชื่อไปแรกเอาไปชื่อเอาบุญไปแรกเอสวรรค์นิพพานอนั้นตอบมาได้มันเป็นปัด จ, จัดตัง เสพุ่งนี้มันมีอยู่แต่ไม่มีใครไปเห็นพุ่งนี้ไม่ใช่ปัด จ, จัดตังปัด จ, จัดตังต้องเดี๋ยวนี้สอมผัดได้เดี๋ยวนี้จะมีนะลกเป็นเต็ดสลกทรัยก็เป็ด เ, เดี่ยวดีแน่นอนเดี๋ยวนี้มั่นใจเดี๋ยวนี้ผู้มีสติดีปิดอบายได้จริงๆ ฉัดเดือดฉันไปฉันนรกเป็นสุกรเป็นเป็ดตัดได้ปิดได้เพราะเห็นอยู่ในชีวิตของเรานี้มันจะเกิดก็เกิดที่นี่ดีมัจะดับก็ดับที่ตรงนี้มีฝีมือแน่นอนเรื่องนี้ไม่ตกนรกเดือดขาดไม่เป็นเปตดสุกยเดือดขาดผมก็มีสติเห็นมันอยู่เนี่ย จะเป็นบุญก็ทำได้อยู่เป็นสวรรค์ก็ทำได้อยู่เป็นนิพพานก็ทำได้อยู่เห็นไม่เป็นทาได้ทุกเรื่องจะ่นี้ชํานาญนี่คือบุญแท้ๆศีลแท้ๆสมาธิแท้ๆปัญญาแท้ๆเห็นจริงเห็นจริงเห็นเที่ยงเห็นตรงจะให้หลงเป็นความถูกต้องมันเป็นธรรมดาสายทุกเป็นความถูกต้องเป็นไปไม่ได้ ทำตามมันไม่ได้ก็ไม่หลงความทุกข์ความโกรธมีอยู่ในชีวิตเรานี้เราทําได้เล่าก็สะดวกระวังไม่มีอีกแล้วไม่มีอะไรขวางกันอีกแล้วก็สะดวกในการใช้ชีวิตจะมีกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ชั่วปี่ชาติก็จะเป็นอย่างนี้ว่าเหมือนมาตรฐานชีวิตที่มาตรฐาน จะให้มันทุกข์หรือทุกข์จะตรงไหนอยากเห็นทุกข์ก็ไม่เจออยากเห็นหลง ก, ก็ไม่เจอไหนว่าเจ็บเป็นทุกข์เดือนไม่มีทุกข์อ่ะไหนว่าตายเป็นทุกข์เดือมันก็ไม่เห็นอ่ะมันทุกข์ตรงไหนนอนอยู่โงไปบานเห็นคนเดินเป็นทุกข์คิดถึงเพื่อนที่เป็นผู้ป่วยด้วยกันนอนอยู่เราก็เคลื่อมนมาได้เวลาเราใส่เตียงไปนอน เอาตียงนอนใส่ไปหาหมอไปจ่ายหลังสือไปตรวจจะยกตัวขึ้นเตียงหม่เตียงก็ไม่ได้ลูกจะนั่งก็ไม่ได้ต้องมีหมอมาจับมาจมไปนี่หรือมันทุกข์ไหนไม่เห็นทุกข์เลยมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นกับรูปรูปมันเป็นอย่างนี้แล้แต่เขาใจ ยกจะตกเป็นไหนไหนว่มามาทุกข์เหรเจ็บเป็นทุกข์เหรือหาเจ็บไปได้ก็เป็นทุกข์เหรือไม่เห็นเป็นทุกข์ตรงไหนนะหาไม่เจอขมวดทุกข์ไหนอันนี้เพียงแต่ความคิดเฉยเฉยก็เป็นทุกข์จะปล่อยตัวเองที่ยังไงปล่อยความคิดแบบเป็นทุกข์ปล่อยความคิด่านโดยไม่หลับปล่อยให้ความคิดปบบ ล, ล่ลงห้อยเสื่อจ ถ้าถึงขาที่มันทุกข์จริงๆทำอย่างไรที่มีเกิดเจ็บเช็บตายรูปโลกนามโลกหนังก็มีโลกเมื่อก็มีโลกก็ดูก็มีโลกเช้นเน้นก็มีโลกเลือดก็เป็นโลกแม้แต่น้มเหลืองก็เป็นโลกอะไรก็เป็นเชื่อโลกรูปโลกนามโลก ทุกทุกนามทุกรูปนามหนึ่งแต่ใช่ไม่เป็นก็เป็นรูปโลกนามโลกรูปทุกนามทุกมันตื่นจริงๆเมื่อเราเมาปฏิบัติธรรมตื่นจริงๆนะตื่นจริงๆเมื่เห็นทุกที่เกิดกับรูปกับนามนี่ก็ตื่นโดยล้นที่ชุกชื้อเหลือผลีก็สุบเลราก็ดื่ม คิดก่อชิดยึดอะไรต่างๆมันทุกข์อยู่แล้วก็เอาทุกข์อันอื่นมาให้มันอีกมันเป็นก็ตื่นเรือล้นติช่วยรูปช่วยน้อมด้วยเป็นการงานชอบจริงๆเ ป, เป็นก่อเป็นําขึ้นมาจากเป็นน้ำหนักร้อยกิโล คุไยไปคุยไปบูลลุนบูลลุนบูลงุบูลลุนบูลงุนถึงหนันงสุดตุดย่อผิดผิดปกติบนหลุนเบิกหาบน้ำหนัก50าิกโลมีคนมา่ายกช่วยหาบออกจากบา่อเดินไม่เป็น สมัยก่อนไปหาบหน่อไม้ในพูนี่อยู่บ้านหนองแจามาหาบหน่อไม้บนเขาเนี่ยตันเช้ามาแต่เช้ามืดเก็บหน่อไม้ละเเผาปอกใสกตะก้าหาบไปโลมากจะร้อยร้อยสองร้อยหนหนักจนต้องยกขึ้นมาไม่ต้องนั่งลงไม่คานใบ่าหาบไปขันแทนาะ ไม่มีถนนทางฝนก็ตกลลเลื่อเธอๆบางคนก็พาตะกร้าหาตกลงลื่นลงไปทุ่งนาต้งช่วยกันพอใกล้บ้านชาวไรคนมาหามารับปอขอยกหาน่อไม้ออกจากบ่เอ่ยน้ำหนักเตินไปปีชี้ศีรษะบกรมอ ก็เดินไม่เป็นอ่เบาเดินไม่เป็นเจ็กเจ็บาเอ๊ะทำไมเป็นต้องจงตัวใหม่ทุกที่มันตอรกไปก็เป็นเหมือนกันไงกายหุดตาเบากายจิตหลตาเบาจิดเบาคิดเบาใจเกิดเบตตากรุณาเกิดอะไรขึ้นมา ดังนั้นบางทีก็ล่วงหลนมาถ้าถึงโอกาสมันอาเจความคิดมีสติดูมันคิดไปตั้งใหญ่มันคิดขึ้นมาเนี่ยคิดขึ้นมาคิดขึ้นมาแต่ก่อนมันก็ดูด้านอยู่ตรงนี้ว่มีสติไปเห็นความคิดบําเพ็ญทางจิตเข้าไปรูปเรื่องรูปเรื่องนามรูปสภาวัตยธรรมหลือแต่คิดอย่างเดียวที่มันคิดเนี่ยเดินก็จะลู่หมดแล้ว คิดที่มันตั้งใจคิดกันมาตื่นตรงไหนเราคิดเราก็ไปโน่นไปนี่เห็นก็เห็นที่ีก็ไปทีก็ไปทีก็ไปมันแบบเจะ้ะเอกันคนหนึ่งเข้ประตูคนหนึ่งจะเข้าประตูคนที่เป็นเจ้าของเขประตูอยู่คนที่มาทีมาจรมามันจะเข้ามาประตูเจอ้อเอกัน ไปคนลตอาาความเท็จเป็นความเท็จความจริงเป็นความจริงตรงนี้ความเท็จความจริงเกิดตรงนี้เมื่อความจริงเกิดขึ้นความเท็จมังก็ล่มละหลายไปเพราะไม่จริงของป่าและชายพ่ายแพ้ไปล่มไม่ล่มเฉพาะอย่างเดียวมันล่มไปอีกหลายอย่าง ดูมันเป็นไปเองมันพังทลายไปหลายอย่างป่าใชไายยาา้ไปหลายอย่างพ่ายแพ้่ไปหลายอย่างหลุดหลวนไปหลายหลายอย่างก็เลยเออต้องเตือนนี่ต่อไป ว, ว่าฉุกหวาทุก็จากความคิดหยุดกันเแล้วเลิกกันเแลียวโดจากหัวใจรืกอๆของทุกคน ความว่าสุขว่าทุกข์เกิดจากความคิดนี่หยุดกันทีแล้ววันจบแค่นี้จบแค่นี้ก็มีชีวิตรุ่นล้วนเป็นขั้งสุดท้ายของการจุดหมายปลายทางของชีวิตเราที่ว่ามันเพ็นทางกิตแต่รูปนี้รูปจกหมดทุกอย่างแล้วอะไรที่เปมนทุกข์ของรูป เดี๋ยวกองกบันยากถูกต้องมันเจ็มันเจ็บมันตายไม่ใชดเร่งทุกข์เกิดที่มันทุกเพราะความแฉะความเจบตา ย, ปยาตเป็นเรื่องหของนามแต่ละตัวเป็นตนเจ็บคือตัวผู้เจบ็บเห็นมันเป็นผู้เจบ็บเจ็บกูเปล่ากูตายกูเท่ากูแฉไม่มีมีแต่ธรรมชาติธรรมการก่อนวางโนที่ตรงนั้นมีที่วางไม่ีที่ไว้ แค่ไหนเพียงไรเกี่ยวกับการใช้ชี่อของเราเนี่ยปฏิบัติทรมันเป็นกรอบเปนกลับขึ้นมาจริงๆมรรคผลอยู่ที่กาที่ใจถ้าเราปฏิบัติชื่อจกช่วยตัวเองก็สำเร็จประโยชน์ได้ปฏิบัติได้ผลได้ ไม่จำกัดการผู้ปฏิบัติก็ย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่คนลูกคนเห็นธรมทุกคนแก่ผูดปฏิบัติเดี๋ยประจำนี่เอาการาเวลาเอาครูอาจารย์ที่ไหนเรานี่ยมันอยู่เรียนรู้่ยจากตัวเรานี่ยธรรมชาติสอนเราได้ดีกว่าคนอื่นสอนครูวาอาจารย์สอนอรรมชาติมาบอกความเท็จของกแก่เราให้ดูดีๆเดีวเราจะไปแก้ทุก โอกาสมันอยู่ที่ไหนก็เชื่อเท่านั้นม่ใช่อยู่ที่นี่ในวิธีที่จะดูแลทุกอย่างปลอดภัยเรามาด้วยก็เปลี่ยนเป็นดีได้ทุกอย่างที่มาเกิดขึ้นกับความกับใจถ้ามีสตินะเปลี่ยนตป็นดีเปลี่ยนเป็ถูกเปลี่ยนเ ป, นเ ป, นเปน็ชอบได้ทุกเรื่องทุกราวนี่คือการปฏิบัติทำไปใชิชีวิตของเรา ให้มันสำเร็จเสร็จทิ้นได้ถ้าไม่ถ้ายังมีกบเพี้ยดได้จนุดขั้วว่ามันจะมีจนุดขว้มว่าวันจะจบลงไปสักวั น, นหนึ่งก็เห็นว่าสมควรจวลากับพระพุทธกัน